เรื่องกรรมที่สงวีสติวักพึงทรรม392ภิกษุทั้งหลายถ้ากรรมที่สงวีสติวักพึงทรรมสงมีภิกษุณีเป็นที่ยี่สิบทำกรรมไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทมภิกษุทั้งหลายถ้ากรรมที่สงวีสติวักพึงทมสงมีสิกขานาเป็นที่ยี่สิบ มีสามเณรเป็นที่20มีสามเณรีเป็นที่20มีภิกษุผู้บอกลาสิกขาเป็นที่20มีภิกษุผู้ต้องอันติมวัตถุเป็นที่20มีภิกษุผู้ถูกสงลงอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นนาบัตเป็นที่20มีภิกษุผู้ถูกสงลงอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัตเป็นที่20มีภิกษุ ผู้ถูกสงลงอุเขปนิยกรรมเพราะไม่สละคิติบาปเป็นที่20สมีบันเดาะเป็นที่20สมีคนลักเพศเป็นที่20สมีภิกษุผู้เข้ารีดเดีรถีเป็นที่20สมีสัตว์เดียรฉานเป็นที่20สิมีคนผู้ฆ่ามารดาเป็นที่20สิมีคนผู้ฆ่าบิดาเป็นที่ยี่สิบ มีคนผู้ฆ่าพระอรหันต์เป็นที่ยีสิบมีคนผู้ประทุษร้ายภิกษุณีเป็นที่ยีสิบมีภิกษุผู้ทำลายสงฆ์เป็นที่ยีสิบมีภิกษุผู้ทำรา้ำรายพระศาสดาจนถึงห่อพระโลหิตเป็นที่ยีสิบมีอุปโตพยัญชนะกเป็นที่ยีสิบมีภิกษุผู้เป็นนานาสังวาสเป็นที่ยี่สิบ มีภิกษุผู้อยู่ในนานาสีมาเป็นที่20สิบมีภิกษุผู้อยู่ในอากาศด้วยฤทธิ์เป็นที่20สิบสงฆ์ทำกรรมแก่ภิกษุใดมีภิกษุนั้นเป็นที่20สิทำกรรมไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำเรื่องกรรมที่สงฆ์วีสติวัครพึงทำจบ